สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบแปดชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบแปดนะครับวิกฤตของยอนผู้ให้บัพติศมาตอนที่สามครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่ยี่สิบสี่นะครับขอโทษครับบทที่เจ็ดครับข้อที่ยี่สิบสี่ครับพระธรรมลูกาบทที่เจ็ดข้อที่ยี่สิบสี่ครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า เมื่อผู้สื่อข่าวทั้งสองของยอนไปแล้วพระองค์จึงตรัสกับประชาชนถึงยอนว่าท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นั่รกันดาลเพื่อดูอะไรไมิใช่ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายได้ไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มหรือดูคนนุ่งห่มผ้างดงามและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในราชสำนักแต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไร ดูผู้เผยพระเจ้าหรือแง่ทีเดียวแต่แล้วบอกท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระเจนะเสียอีกคือยอนนี่แหละที่พระกัมภีร์กล่าวถึงว่าเราใช้ธูดของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนที่บังเกิดมาจากผู้หญิงนั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอนแต่ว่าผู้ที่จาต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้า ก็ใหญ่กว่ายอนเสียอีกฝ่ายคนทั้งปวงเมื่อได้ยินรวมทั้งพวกเก็บภาษีด้วยก็ได้รับว่าพระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รับบัพติศมาของยอนแล้วแต่พวกฟาริสีและพวกบาเรียนไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาโดยที่มิได้รับบัพติศมาจากยอนพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับพระเยซูได้ตรัสชมเชยยอนผู้ให้บัพติศมา ซึ่งทําให้ย อ, อนนั้นได้เรียนรู้โดยผ่านทางลูกศิษย์สองคนพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อศิษย์สองคนจากกะ ล, ลีกลับไปพบยอนที่คุกพระเยซูจัดกับคนทั้งปวงเกี่ยวกับยอนนะครับว่ายอนนั้นเป็นผู้ที่ประเสริญยิ่งกว่าผู้เผยเพระเจนะทุกๆคนพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูกําลังเปรียบเทียบ นะต้นอ้อในถิ่นทุรกันดารเราคงทราบนะครับว่าริมแม่น้ำจอดแดนนะครับก็จะมีต้นอ้อนะครับหรือว่าต้นปาปิรุช ซ, ซึ่งจะโอนเอนไหวพิวตามลมครับพเยชูทรงหมายความว่ายอนั้นมิใช่เป็นคนที่อ่อนแออ่อนไหวยอนั้นสวมเสื้อผ้าขนสัตว์เขาไม่ใช่เป็นนักเทศผู้แต่งกายโออานะครับ เวลาที่คนออกไปที่ถึงนทุวกันดารเพื่อที่จะพบกับใครครับก็คือพบกับผู้เผยเพระนะนะครับแล้วพระเยซูก็จัดชมยอนว่ายอนนั้นประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระช น, นะเสียอีกพี่น้องครั บ, ร ย, รบยอนนี่แหละครับที่พระมธิกล่าวว่าเราจะใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านและผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านฟิเยซูเตือนความจาพวกเขาว่า มรารักีได้พยากรณ์ไว้นะครับว่าพระเจ้าจะส่งทูตมาล่วงหน้าพระเยซูเพื่อจัดเตรียมหนทางให้กับพระเยซูและทูตคนนั้นแหละครับก็คือยอนครับและพระเยซูยังพูดต่อไปนะครับว่าในบรรดาคนที่เกิดจากหญิงนั้นไม่มีใครใหญ่กว่ายอนยอนเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่นะครับคนสุดท้ายครับอพระเยซูบอกว่าไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่ายอนไปอีกแล้วสิ่งที่รองจัดต่อไปคือ แต่ว่าผู้ที่จาต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็าใหญ่กว่ายอนนะครับฟังแล้วอาจจะสับสนและงงนะครับว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่เริ่มต้นยุคใหม่นะครับแห่งประวัตศาสตร์ชนรุ่นหลังยอนมีสิ่งใดที่ทําให้พวกเขายิ่งใหญ่กว่ายอนเพราะอะไรครับมีอะไรครับสิ่งใดที่ทําให้พวกเขายิ่งใหญ่กว่ายอนเพราะเหตุไม้กางเขนครับยอนนั้น ไม่เคยเห็นไม้กางเขนของพระเยซูแม้ว่าเขารู้จักความรักของพระเจ้านะครับแต่ไม่เหมือนกับที่ชงสาแดงเมื่อยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าชิ่นพระชนมบนไม้งเขนครับเรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งกว่าที่เยเรมีเอริยาและยอนเคยรู้เพียงครับเราทั้งหลายมีชีวิตที่น่าอิจฉานะครับเมื่อเราพึ่งในกางเขนของพระเยซู เราเป็นคนที่มั่งข้างมั่งมีมากครับคือเราได้รู้เรามีพระคุณของพระเจ้าเรารับพระพรของพระองค์มากกว่าพวกเขาเหล่านั้นพวกเราที่รู้เรื่องราวแห่งไม้กางเขนนะครับก็จะมีประสบการณ์บางอย่างซึ่งอยู่เหนือกว่าอับราฮัมอิดอักยาโคบบรรพชนของพวกอิสอเอลทั้งหลายและเหนือกว่ายอนผู้ให้บับพติศมาศที่อีกครับยอนนั้นชี้ให้คนมองกางเขนแต่ตัวเองนั้น ตายไปก่อนตัวเองไม่เห็นกังเขนครับแต่พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพียงต่างที่น่าสนใจในเวลานี้ก็คือว่าเราเองนั้นเป็นผู้ที่รับพระพรจากพระเจ้ามากครับเราอยู่ในยุคพระคุณเต็มเต็มนะครับเราอยู่ในยุคพระคุณเต็มเต็มพี่น้องครับลูกาได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อประชาชนได้ยินคําสัตย์ของพระเยซูวันนั้นรวมทั้งพวกเก็พภาษีด้วย ซึ่งได้รับอัพติศมาของยอนก็รับว่าพระเจ้าอยูุติธรรมครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้าอยุติธรรมและทรงพระคุณแต่พวกฟอริสีพวกเคร่งคัดทำระบัญญตัติพวกบาเรียนไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเขาพี่น้องครับในมัทธิวบทที่ 16, สิบเอ็ดข้อที่สิบหกเยซูตัดเปรียบเทียบนะครับว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดีเหมือนเด็กที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่าพวกฉันได้เป่าปี่ให้พวกเธอแต่เธอไม่ได้เต้นรําพวกฉันได้พิราบล่ําให้ แต่พวกเธอไม่ได้ตีอกสจ้ขัวพระเยซูทรงหมายความว่าเด็กๆ เ, เหล่านี้นะครับอยากเล่นพิธีแต่งงานแต่คนอื่นก็ไม่ยอมเล่นด้วยพออยากจะเล่นพิธีศพก็ไม่ยอมเล่นอีกมีความหมายว่าคือไม่มีใครตัดสินใจได้เสียทีว่าจะจ ะ, จะเล่นอะไรกันแน่ยอนผู้ให้แบบพิศมาคนทั้งหลายก็ไม่ยอมรับพระเยซูมาพวกเขาก็ไม่ยอมรับอีกไม่ถูกใจอะไรเลยชักกระย่างนะครับอันนี้คือคําเปรียบเทียบของพระเยซู ในมัทธิวบทที่สิบเอ็ดข้อสิบหกนี้นะครับเราเห็นนะครับว่ายอนกับพระเยซูนั้นมีวิถีชีวิตและเป้าหมายนะครับต่างแตกต่างกันแต่เนื้อหานะครับคําเทศนาอย่างเดียวกันยอนนั้นอยู่ในถิ่นทรกันดารพระเยซูก็อยู่ในเมืองครับยอนเป็นคนที่เตรียมหนทางให้กับพระเยซูพระเยซูเป็นคนที่เดินหนทางนั้น วิถีชีวิตต่างกันนะครับเป้าหมายต่างกันแต่เนื้อหาเหมือนกันเนื้อหาสาระของชีวิตเหมือนกันก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้ายอนไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเมื่อตัวเองสิ้นชีวิตแล้วพระเยซูได้ทรงสืบทอดงานของยอนและเทศนาแบบเดียวกันว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับ บ, บัพติศมาพี่น้องครับนี่คือความภาคภูมิใจเมื่อยอนจะได้รับเมื่อเขาได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์แล้ว เาเขนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมครับพระองค์เมื่อหมดเวลาของยอนพระองค์ก็ให้พระเยซูทำงานของยอนต่อรับยอนกลับไปอยู่กับพระองค์นี่คือความสวยงามของชีวิตและเทศนาแบบเดียวกันสืบทอดงานต่อกันนะครับว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบับทิ่มา พี่น้องครับเราทั้งหลายในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องสืบทอดงานของยอห์นและพระราชกิจของพระเยซูครับว่าให้เราเป็นผู้ที่ประกาศให้คนอื่นกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาพี่น้องครับแม้ว่าวิถีชีวิตของเราครับแตกต่างจากวิถีชีวิตเดสตินีของยอห์นและวิถีชีวิตเดสตินีเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตของพระเยซูก็ตาม เราอาจจะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันเราอาจจะอยู่ในคนและยุคกันเราอาจจะอยู่ในความแตกต่างด้านประเพณีวัฒนธรรมนะครับแต่เนื้อหาสาระของชีวิตเราต้องเหมือนกันครับก็คือเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นผู้ที่สําแดงความรักความรอดและพระคุณของพระเจ้าเป็นผู้ที่ประกาศเหมือนกันว่าจงกลับใจเสียใหม่แล ะ, ละระับบาปที่มา มาเป็นลูกของพระเจ้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเถิดอาเมี